มันอาทินวะหมายถึงทุกขทุกหรือทุกขตาสามถ้าพิสดารมากก็คือนั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวสีเป็นต้นนะเพราะว่าอคําว่ า, อ, วาอาทินวะในที่นี้หมายถึงผู้มีปัญญาเข้าไปพิจารณาเนี่ยนะหมายถึงปัญญาเข้าไปพิจารณานะสมมุติว่าโอ้ผู้มีปัญญาเขาบอกการเกิดนี้เป็นทุกข์เนอเกิดในนรกเป็นเหตุให้เดือดร้อนไม่ได้หมายถึงว่าคนที่พิจารณาต้องเกิดในนรกก่อนใช่ไหมจึง โอ้มันเดือดร้อนจริงๆไม่ต้องขนาดนั้นหรอกอนนะผู้มีปัญญาเขาไม่ลงทุนอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นคำว่าอาทีนวะหมายถึงปัญญาหรือวิปัสนาก็ได้ไปพิจารณาถึงโทษภัยในสิ่งที่มีอัสาธะอันนั้นแหล ะ, และยกตัวอย่างว่าขันห้ามีอาศรธะนะขันห้าขันห้าก็คือเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะนั่งกันอยู่ไม่ใช่หนะ้านะธรรมาสิบก็ห้าสิบขันนะั่นแหละธรรมมาถ้ามียี่สิบก็ร้อยขันพอดีเลยนะ มันก็คือคนละห้าคนละห้าแต่ว่าถ้าย่อๆมาก็เหลือห้าขันทีนี้ห้าขันเหล่านี้เนี่ยขันเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความสุขทั้งหมดเลยใช่ไหมอันนี้คืออันนะเป็นที่ตั้งแห่งสุขไหมป็นถ้าไม่สุขไม่ติดขนาดนี้หรอกเนยไม่ส่องกระจกเม่ไหลไม่ยิ้มเลยไหมขนาดนั้นเลยนะเต็น้ามากจะเดินมากไม่ใช่อย่างนั้นก็ดูกระจกเม่ไหลก็ยิ้มแต้เลยนะ เรางามที่สุดนในกระจกนะนั้นอันนั้นคืออัศธานะอัสาธ ะ, นะาาธะแล้วขันอันนี้มีอาทินวะไ ม, นะม่ล่ะมีเนี่ยนะอันนั้นก็ขันก็เป็นทั้งอัาธะเป็นทั้งอาทินวะเพราะอะไรเพราะขันเหล่านั้นไม่เที่ยงเนี่ยนะเป็นทุกข์แล้วก็มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นโทษของขันทั้งหลาย ส่วนขันห้านะเรายกตัว อ, อย่างว่าขันห้านี่ยนิสรณะได้ไหมได้อริยมรักเนี่ยเป็นตัวที่จะทําให้ออกจากขันห้าแต่อริยมรักนั้นต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะเรียกว่าเป็นการออกจากขันห้านินสรณะทําไมจึงแปลว่าออกจากขันห้าคือสารณะแปลว่ายึดนะนะสารณะโดยศัพ์แปลว่ายุดท่านินิแปลว่าปฏิเสธนี่นะนิไม่มีหรือออกมาเนี่ยนะก็เลยเป็นนิสรณะซ้อนเข้ามาอีกคํานึง ก็คือแปลว่าเลยไม่แปลว่าเข้าแล้วแปลว่าออกแทนเ น, นี่ยก็คือว่นานการที่จะออกจากขันห้าก็ต้องอาศัยอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นี่ต่อไปส่วนคำว่าผลผลในที่นี้คือผลของอะไรผลของเทศนาผลเนี่ยไม่ใช่ผลทั่วๆไปสเปสะปะนะหมายถึงผลแห่งเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งที่พระองค์สอนไปแล้วเนี่ยผู้ฟังทั้งหลายจะได้รับผลอย่างไร อันนั้นคือผลแห่งเทศนาข้อปฏิบัติที่จะทำให้ได้ผลอันนั้นเรียกว่าอุบายเนี่ยนะเพราะผลไม่ได้เกิดลอยๆใช่ไหมก็ต้องเข้าไปเจริญเข้าไปทาเหตุอันนั้นอันนั้นเรียกว่าอุบายทีนี้แต่ถ้าใครไม่ยอมทำเหตุอันนั้นอนะันนไม่ประกอบในอุบายสัทีหนึ่งพรองก็เตือนอันนั้นเป็นอนัตเนนะอันนั้นเป็นอนัตสมมุิาย่อๆนะ ขันห้ามีอสาธาพงศ์ก็แสดงละวังนั้นสุขโสมนั้นอันใดอาศัยขันห้านั้นเป็นอสาธาของขันห้าเนี่ยอันนี้สมมติเรายกตัวอย่างเป็นข้อแรกก่อนข้อสองขันห้าไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนั้นเป็นโทษของขันห้าอริยมรรคกับนิพพานนะสลัดออกจากขันห้าคู่ที่นิสรณะได้แล้วจะได้รับผลคือเสวยอริยผลเข้าพระสมาบัตเป็นต้นทําให้ได้สงบระงับจากกิเลส เป็นเหตุนำมาซึ่งทุก น, นะการที่จะเข้าถึงผลอันนี้เธอต้องปฏิบัติตามวิสุทธินะอนนะนก็แนะนำไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ทำอะไรเกิดขึ้นอนนะชี้แจงเหตุผลอธิบายหมดแล้วไม่ทำก็สั่งเอาอะโน่นควรไม้ไปนะนะวักลิไปนะประโยชน์อะไรด้วยเธอมาดูกายอันเปือยเน่านี้นะพระองค์ก็จะตำหนิคือจะสั่งละคือคือ มันว่าบอกเหตุบอกผลอธิบายทุกอย่างหมดงานไม่เดินเลี่ยนะก็ต้องชี้แจงกันหน่อยแล้วมันก็มเรียกมาคุยกันหน่อยอันนั้นก็เป็นอาัตอันนัน้ถามว่าทั้งหกประการหลักการหกประการพระ อ, องค์ทํากับใครทํากับพโยคีโยคีเนี่ยนะโดยมาจากคําว่าโยคะโยคะแปลว่าประกอบประกอบในที่นี้ประกอบอะไรประกอบในสมถวิปัสนาอัน น, นโยคะหมายถึงการประกอบอนะัน ประกอบด้วยสมถาวีปัสนาผู้ที่ประกอบอย่างนี้เป็นปกติเลยเรียกว่าโยคีนี่เนะก็เกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์นี่ก็ท่านอาจารย์สันติศึกษาไบยากรณ์มานานและก็น่าจะสอบถามความรู้ตอบง่ายมากเข้าใจ ท, ทันทีด้วยนะคำเดียวนะทุกคนเข้าใจสภาวะหมดเลยคำว่าลืมแปลว่าอะไรนะอันนี้ไม่ต้องชี้แจงอัดมาก อันนั้ึ่งครั้งที่แล้วได้ยกตัวอย่างไงว่าอส า, าธาคืออะไรอาทีนวะคืออะไรทีนี้มาเข้าปฏินิเทศปฏินิเทศอันนั้นเขาตัวคัมภีร์เนติประกรณบแบ่งหนึ่งสังหาวาระใช่ไหมประมวลเนื้อหาโดยสรุปของเนตินะคืออะไรอันนี้เรีกสังหาวาระอย่างข้อที่สองก็มาขึ้นอุเทศหัวข้อของของเนื้อหาในคัมภีร์มีอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าอุเทศอุเทศหัวข้อส่วนนิเทศ ขยายแต่ขยายแบบแบบยอ่อขยายเหมือนกันแต่ขยายแบบยอ่อทีนี้พอมาเข้ายัางหนาก้าเนี่เริ่มปฏินิเทศเนี่ยนะที่เราศึกษานี่จะค่อยๆศึกษาหาระทีละหาระนะเช่นอุเทศกล่าวไปแล้วว่าเทศนาหาระคืออะไรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะ่ะการสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้หมายถึงเทศนาเนะี่ยทีนี้โดยอันนี้อุเทศคือเทศนาหาระนิเทศละ่ะ นิเทศก็คือประกอบไปได้วยอาสาธาอาทีนวะนิสารณ ะ, ะอุบายเอ่อผลอุบายอานัตเนีนะที่พระพุทธเจ้าสอนแต่พระโยคียทั้งหลายเรียกว่าเทสน า, าระอนนี้นิเทศทีนี้มาขึ้นปฏินิเทศขับปฏินิเทศตรงนี้เนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทสน า, าระวิพังอ่ น, นะปฏินิเทศกับวิพัง์ไม่ต่างกันวิพังแปลว่าการจำแนกเนี่ยนะการจำแนกแจกแจงให้พิสดารขึ้น ในเทศนาหาราวิพังนั้นก็จะยกตัวอย่างมาประกอบลหลายๆสูตรเนี่ยนะคัมภีรเนติปกรณ์เนี่ ย, ป เ, ยเป็นคัมภีร์ประเภทสังวรนนาอ่านนะถ้าจะนะสับเบรีย์หน่อยนะแต่เรถือว่าเรียนภาษาต่างประเทศกันแล้วกันเผื่อพระพุทธเจ้าองค์หน้ามาอีกพงก็ตรัภาษามาคตเราก็เรียนไว้กับภาษาธาตุนี้เลยน ะ, ะสังวรรณน า, นานเนี่ยแปลว่าการขยาย สังวันเนตัปภาแปลว่าสิ่งที่ควรขยายสังวันนาเนี่ยคือพระไตรปิฎกสังว och, ันเนตัปภาพคือเนติปกรณ์เนติปกรณ์เป็นคัมภีร์ขยายพระไตรปิฎกเห็นไหมคัมภีรเนติปกรณ์เนี่ยเป็น้าถ้าเทียบกับพระไตรปิฎกคัมภีรเนี่ยเป็นคัมภีร์ขยายจะเรียกว่าอัตถกถาก็ได้เพราะอัตถะจะคําว่ากถากถาแปลว่าสิ่งที่ควรพูดใช่ไหมอัตถะก็คือพูดถึงเนื้อความในพระไตรปิฎกเพราะนั้นจะยกเนื้อความในพระไตรปิฎกมา มาขยายให้ดูเในบรรณาหารสิบหกเหล่านั้นเทสน า, าระเป็นชนัยคาถาที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือพระมหากัจจายนะเนี่ยนะนนะกล่าวไว้ว่าอัศาธาทีนวตาเป็นต้นเนี่ยคืออัศาธาเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยคาถานี่แหละชื่อว่าเทสนาหาระถามว่าเทสนาหาระนี่แสดงอะไรหนึ่งแสดงอัศาธาสองอาทีนวสามนิสระณนสะี่ผลห้าอุบายหกอนัต อาสาท่าคืออะไรคือสุขโสมนัติจทารมตันหาและวิปลาสอาทีนวะคืออะไรคือทุกขตาสามทุกขุกวิปริณามทุกข์และสังขารทุกเนเนส่วนมิสนะหมายถึงอริยมรรคและนิพพานส่วนผลคือผลแห่งเทสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสูตรนั้นนนั้นจะมีผลอย่างไรส่วนอุบายก็คือข้อปฏิบัติที่ทําให้ได้ผลอันนั้นเกิดขึ้น ผลที่พระ อ, องค์ตรัสโดยมากมายถึงอริยผ ล, ลยใช่ไหมทํายังไงอริยผลเหล่านั้นจะเกิดก็ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติให้เกิดอริยมรรคเมื่ออริยมรรคเกิดจะได้อริยผลส่วนอนัตก็คือการแนะนําการตักเตือนเนี่ยนะการแนะนําการตักเตือนของพระพุทธเจ้าก็มีหลายวิธีใช่ไหมพระ อ, องค์เนี่ยพระ อ, องค์เคยตรัส ก, กับนายอาสาจารย์คือคนฝึกม้าอยูคนหนึ่งนายอาสาจารย์คนนี้เขาบอกว่าพระ อ, องค์ถามว่าเธอฝึกมา้ายังไง ในอาสารย์กเขบอกข่าพราะองค์เนี่ยฝึกอยู่สามวิธีข้อแรกฝึกอย่างละมุนละม่อมแนะนําแบบเบาๆสบายๆเนี่ยนะม้ามันก็เชื่อก็ทําตามนะในวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็แบบรุนแรงลงเขี้ยนอ่าลงแท้เลยเนะี่ต้องเขี้ยนต้องเอามากวิธีที่สามก็คือสลับกันทั้งอ่อนนิ่มนวลเนี่ยนะกับรุนแรงวิธีที่สี่ก็คือข่าทิ้ง บอกทำไมบอกโอ้โหปล่อยม้าชริษนั้นไปเสียชื่อสำนักแย่นะแต่เสียชื่อสำนักก็เลยฆ่าม้าตัวนั้นทิ้งนะพระ อ, องค์ก็บอกว่าในศาสนานี้พระ อ, องค์ก็ทำสี่วิธีเหมือนกันนะข้อแรกก็ฝึกแบบนิ่มนวล น, นิ่มนวลของพระพุทธเจ้าก็คือบุญเป็นอย่างนี้ผลบุญเป็นอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้จะได้ความสุขอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เรียกว่านิ่มนวลมากนะปลอบโยนเลยนะแต่ถ้าบอกว่า นี่นี่ทุจริตสามนี่ผลแห่งทุจริตสามนี่อบายทุคติวินี่บาสนรกอันนี้ลงหนักมากนะครั น, นหนักว่านั้นก็บอกตรงๆเลยบอกโมฆะบุรุษการกระทําของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเนี่ยนะนี่แสดงว่าหนักมากอล้นะแล้วก็วิธีที่สามก็คือสลับกันนะนะส่วนการฆ่าในาศาสนานี้คือการไม่สอนอนะนะ การเลิกสอนอย่างพระชนะเนี่ยนะถูกฆ่าเลยนะพระชนะนี่เป็นลมเลยนะพอฟังจบบอกถูกหลวงพ่อมาทันแล้วว่าท่านอยากทาอะไรก็ทําจะต่ อ, อไปนี้เลิกพระทุกรูปเลิกสอนท่านแล้วฟังแล้วเป็นลมเลยนะก็้วถูกฆ่าในาศาสนานี้แล้วท่านพ่อองค์ก็ต้องแนะนําตักเตือนการแนะนําก็มีอสี่ประการด้วยกันมี่ท่านก็ยกตัวยอย่างขึ้นมาก่อนนะว่า ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ว่าอันนี้ยกเป็นอุทาหอนยกข้อความในมัชฌิมนิกายอุปริปัณธาชัชกสูตรขึ้นมาเลยว่าดูความพิสูดทั้งหลายเราจะแสดงทำอันงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจา ร, รย์พร้อมด้วยอัฏฐะและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอทั้งหลายเ น, ยนะเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวเนี่ยนะถ้าเป็นเนื้อความในชัชกสูตรก็บอกว่ า, วาธรรมะ มวดหกหกมวดนี่ยเขว่าไปแต่ในที่นี้ก็คือยกเฉพาะตัวอย่างว่าเราจะแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามใน่้มกลางงามในที่สุดประกาศพรมาจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุดธิบริบูรณ์สิ้นเชิงแกเ่เธอทั้งหลายคำว่าแสดงธรรมเนี่ยนะคำว่าแสดงธรรมในที่นี้พระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าตั้งคนถามแบบนี้ น, น ถ้าบอกว่าที่ไหนก็ตามที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมหรือแสดงธรรมให้รู้ว่าอริยสัจอย่างเดียวเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พ้นสัจจะไม่มีอันนี้คือหลักการนนี้เพราะการประกาศอริยสัจเนี่ยจะต้องประกาศแบบไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดก็บอกว่าท่ามไม่ได้อะไรเลยนะฟังอริยสัจจบต้องรู้สามประการเป็นอย่างน้อยว่าหนึ่งพุทธ สโพธิตาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีจริงเนี่ยนะถ้าฟังแล้วนะยังไม่ได้อะไรเลยหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีจริงสองกอ็ธรรมะสุธรรมตาสาธุความเป็นธรรมดีของพระธรรมแล้วก็งามในที่สุดอันนั้นคือสาธุความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นนะว่าฟังธรรมจบเนี่ยโหแค่ว่าเกรดน้อยที่น้อยกับเพื่อนต่าที่สุดเลยนะคือถึงสารณคมเนี่ยนะนะอย่างน้อยที่สุดต้องเห็นสารณคมย้อยฟัง ฟังธรรมะเลยนะต้องได้ตรงนี้ถ้าไม่ได้ส่วนนี้ก็แสดงว่าโอ้โหหนักมากนะนะขนาดสารณะไม่ได้ไม่รู้จะได้อะไรบ้างในในศาสนาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดต้องเห็นความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้เป็นผู้ตรัสรู้จริงหนอว่าพระธรรมคาสอนที่พระองค์ตรัสดีจริงพราะนําผู้ปฏิบัติพ้นออกจากทุกข์ถ้าสงสารผู้ใดก็ตามถ้าปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนผู้นั้นเรียกว่าผู้ปฏิบัติดีในโลก เพราะฉะนั้นการที่มีศรัทธาแบบนี้เรียกว่าถึงไตสรสารนคมเนี่ยนะคือนับถือว่าโอ้นี่แหละพระตนตรัยที่สูงสุดที่จะนําสัตว์ให้พ้นจากวัตจัหรือพ้นจากกองทุกข์เนี่ยนะนั้นอันนี้ยกมาพอเป็นตัวอย่างว่างามในเบื้องต้นคือความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้างามในท่ามกลางคือความเป็นธรรมดีของพระธรรมงามในที่สุดก็คือความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เ น, นี่ยอันนี้พอเป็นตัวอย่างก่อน เดี๋ยวจะค่อยๆกล่าวไปอีกครั้งหนึ่งว่างามในเบื้องต้นเนี่ยขยายไปแล้ววิจิตพิสดารมากะอันนี้ก็พอเป็นข้าวโครงถ้าในอัตถกาถาในหลายๆสูตรเนี่ยนะแล้วก็ทั้งในอัตถกาถาวินยัยอัตถกถาพระสูตรนี่ก็ขยายไว้กว้างขวางมากนะว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยเรื่องยาววังอนกันเถอะอีกเขามีอีกในหนึ่งก็คือบอกว่างานในเบื้องต้นด้วยศีลงามในท่ามกลางด้วยอริยมรรตอย่างนี้นะ ่บางทีก็มีงามเบื้องต้นด้วยศีลงามท่ามกลางด้วยสมาธิงามในที่สุดด้วยปัญญางามในเบื้องต้นด้วยศีลงามท่ามกลางด้วยสมถาวิปัสนางามในที่สุดด้วยมรรคผลเนี่ยนะก็มีขยายหลายในมากนี่ก็ยกมาเป็นตัวอย่างให้หนึ่งตัวอย่างนะว่าถ้าพระพุ o ja o ja o ja o o ทธเจ้าจะแสดงธรรมเนี่ยคือหลักการแสดงของพระพุทธเจ้าแสดงมากแสดงน้ i, อยยังไงก็ตามต้องงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดเสมอ อันนั้นแม่ที่สุดแม้แต่ประกาศคาถาเดียวใช่ไห ม, ไหมนับอักษรก็ถือว่าทุกอักษรเนี่ยดีหมดเลยทําไมดีขนาดนั้นเพราะว่าช่วยให้ผู้เาขาบอกว่าสิ่งใดถ้าเป็นโอสถคือเป็นยาเนี่ยนะสิ่งนั้นก็นับว่าดีในโลกใช่ไหมชันใดก็ดีคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นโอสถที่จะทําให้พ้นจากวัฏฏะเนี่ยนะดังั้นคำสอนของพระองค์เนี่ยถือว่าดีหมดเลยอันนี้ดีสําหรับผู้ที่จะออกจากวตฏฏะนะผู้ที่ ยินดีในว่าตากเขาบอกโอ้ยพระพุทธเจ้าพูดอะไรไมาสมัยพุทธกาลเนี่ยญาติญาตพระองค์มีหลายคนนะไม่ยอมเข้าเฝ้าเลยพระนางรู ป, ปนันฑา น, นี่ก็เหมือนกันไม่ยอมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยนะบวชเต็มพิสุณีแต่ว่าไม่ยอมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าง่ายๆโอ้ยไปหาพระองค์ทําไมพระองค์ก็มีแต่กำเ น, นิรูปรูปเวทนาเนี่ยรูปประคันเนี่ยนะคือจริงๆพระองค์แสดงทั้งขันธ์หใช่ไหมทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นนะ แต่แล้วนางนี่ก็ติดในรูปมากนะก็ถือว่าถือว่าี่นางชนบทกาลยานีเนี่ยก็แปลว่านางงามสมัยนั้นนั่นเองบอกโอ้ถ้าไปเนี่ยพองก็จะแสดงรูปประคันไม้ที่อย่างเป็นทุกเป็นต้นเนี่ยโอ้เราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ก็ติดมากมันก็เลยไม่อยากไปฟังธรรมเลยอย่างนันนะซึ่งปกติของปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้กระทั่งท่านางเขมาเป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันนะ ท่านอย่างที่กล่าวว่าคําสอนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการออกจากวะัตจะัแต่ถ้าผู้เพลิด เ, เพลินในวะัตจะัอย่าพูดให้ยากเลยนะบอกเก็บเวลาเป็นหลีกเล่นเธอเขายังไม่อยากฟังหรอกยินทรีย์ก็ยังไม่แก่เดี๋ยวถ้า น, นานๆนะักจากขุนซีเขาก็แก่ลงโสตินรียก็แก่เขาก็แก่ลงไปเยอะเนี่ยนะพวกกายยินรีย์เยอะมากๆเออใช่พระพุทธเจ้าตรัสจริงแล้วมันก็เลยเรียนกันอย่างยครับเนี่ย นี่มาเข้าตัวอย่างเลยไนหะตัวอย่างในยกมาว่าถ้าสิ่งที่พระ อ, องค์แสดงเนี่ยจะต้องไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดมาดูยกคาถ า, าในสุตตานิบาตแต่คําขยายพิสดารอยู่ในมหานิเทศเนี่ยมหานิเทศเล่มหกสิบห้านะถ้าใครต้องการแบบพิสดารพิสดารหัวครั้งแรกเนี่ยอ่านมหานิเทศครั้งแรกเนี่ยต้องทําใจให้มันสบายสบา ย, บายก่อนอ่านแล้วศีรษะเนี่ยรอ้อนมัก คือมันเต็นอย่างนั้นจริงๆนะก็อบอกว่าเรื่องปัญญามากๆเนี่ยคนก็คงไม่ค่อยชอบอยู่แล้วเนี่ยของเราก็ตระกูลแบบไม่ค่อยฉลาดมา ก, กานะนันก็ต้องทําใจให้สบายๆมา ก, กานะทําสมาธิอ่านเนี่ยให้กวาดสายตาตามหนังสือไปได้นี่ก็พอใจแล้วนะไม่ต้องมารู้เรื่องในนั้นหรอกให้เนี่ย้มันทน อ, นอ่านอ่านทนอยู่ได้นี่ก็ใช้ได้แล้วนะเพราะว่าตอนอ่านเนี่ยมันหูง่วงก็ง่ว ง, ง, งยากก็ายากหัวก็ร้อนผ่าไปหมดเลย มันของเราเนี่ยก็เห็นแล้วก็ชื่นชมนะพะอ่านกันได้มากเห็นไหมมาศึกษาใหม่ๆก็เข้าใจได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้ว <c oughs> แล้วยกตัวอย่างในจุลนิเทศขึ้นมาเลยว่าสัตว์โลกย่อมปรารถนาสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นสำเร็จแก่เขาผู้ต้องการวัตถุกรรมเขาย่อมมีใจยินดีแน่แท้เพราะได้วัตถุกรรมอันนั้นอันนี้คือประกาศอาัศทะ บอ ว, ว่าถ้าสัตว์โลกเนี่ยนะปราถนาสิ่งใดอยู่สิ่งใดในที่นี้นะก็แบ่งเป็นสองคำนะปราปรถนากับสิ่งที่ถูกปรารถนาความปราถนาเป็นกิเลสกรรมสิ่งที่ถูกปราถนาเป็นวัต ถ, ถุ ก, กรรมทีนี้ถ้าเขาปราถนาด้วยอํนนานาจกิเลสปราถนาในวัต ถ, ถุนั้นๆเนี่ยถ้าวัตถุนั้นมันสําเร็จแก่เขาอ่ะวัตถุกรรมนั้นสําเร็จแก่เขา เขาก็ย่อมดีใจยิ้มแป้เลยนะอิ่มใจสบายใจมากนะเช่นกิเลสกรมเกิดขึ้นปรารถนารถหนึ่งคันเนี่ยนะถ้าได้รถขึ้นมาก็ายิ้มแป้เหมือนกันนะในลักษณะนี้คืออิ่มใจมากในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะแต่ว่าในคำพีท่านก็ขยายเยอะนะเช่นปรารถนารูปบ้างถ้าได้รูปสมอยากก็ยิ้มมีความสุขมากนะถ้าได้เสียงได้กล่นได้รถได้โททพาก สรุปว่าถ้าปรารถนาโดยมากปรารถนาปีรูปสาจรูปใช่ไหมถ้าได้ปีรูปสาจโรภสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาเหล่านั้นสัตว์โดยมากะนะที่จะไม่โสมนัตมีปีติหายากนะอันนี้นี่ปกติของสาตร์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นมันโดยมากๆนะสมัยที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะ ก, กันโดยมากจะดีใจที่ได้เกิดใช่ไหม <S <S พอใจมากเออดีนะเรามีบุญที่ได้เกิด อันนี้คืออาสาค่ากัอนอย่างหนึ่งนะถ้าได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสนะถ้าผู้ใดผู้หนึ่งประสบความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งก็อันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสมากนะขอให้ได้วัตถุกรรมอันนั้นเถอะแล้วก็สิ่งที่ปราถนาะท่านก็บอกว่าบางกลุ่มนี่ก็ปราถนาสัต์เลี้ยงเนี่ยนยะเช่นแพะแกะไก่สุกรเนี่ยนะเออบางคนเขาเป็นอย่างนั้นก็ได้โคลมาคู่หนึ่งโอ้โหจะมีความสุขเป็นอย่างมากอนะเขาก็คิดอย่างนั้นแหละบางพวกโอ้โหถ้าได้บ้านหลังหนึ่งนะ แต่เราเป็นเจ้าของบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินเองอะไรเองเนี่ยเป็นไงมีความสุขมากนะจะดีมากหรือบางคนก็บอกว่านี่นะถ้าได้สมัยก่อนเขาใช้ช้างใช้มา้าใช่ไหมถ้าได้ช้างได้ม้าไปไหนสะดวกมากสมัยนี้ ก, ก็ขอให้ได้รถเธอถ้าได้รถนี่จะแหนจะดีมากอนะบางพวกก็บอกว่าถ้าได้ที่ดินสักกี่ไร่ดีนะสามสิบสี่สิบไร่นะ ทีนี้บางคนก็บอกแหม่ต้องมีเงินสักเท่านั้นสจึงจะดีบางคนบอกได้ทองเท่านั้นจะดีมากเลยนะก็นนแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายแหละทีนี้นบางพวกเนี่ยนะอันนี้ถ้าปรารถนาแบบนี้ก็คนทั่วๆไปมันมีคนมากหนั ก, กว่านี้นถ้าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนี้เป็นของเราจะดีมากเก็บสวยกินจากพวกนี้จะดีมากไอ้พวกนั้นก็บอกไม่ได้เราต้องครองทั้งอำเภอนี้เลยนะถ้าได้ครองอำเภอนี้ทั้งหมดจะดีมาก บางพวกไม่ได้นะถ้าจังหวัดนี้ทั้งจังหวัดเลยนะเป็นของเราเนี่ยวิเศษขนาดไหนบางคนบอกว่าประเทศทั้งประเทศนี้ถ้าเป็นของเราเนี่ยดีเยี่ยมบางคนไม่ได้บอกทั้งทวีตเลยจะเอาทั้งทวีตนะถ้าได้ทั้งทวีตนี้จะดีขนาดไหนบางคนไม่ได้อู๋เอาเนี่ยนะทะเลมีเท่าไหร่นั่นน่ยแผ่นดินเราหมดเลยก็จะเอาขนาดนั้นอันนี้คือความปรารถนาไม่มีความไม่รู้จักพออยู่แล้วนี่นะตัวอย่างที่พระรัชบาลท่านถามพระเจ้ากูรพยะนะ สมมติมีคนที่ชั่วถูดได้บอกงั้นเถอะมีเมืองในที่ตะวันออกอยู่เมืองหนึ่งมีสตรี ป, ปกครองบอกงั้นเถอะจะชนะด้วยกําลังพลเท่านั้นเท่านั้นพวอจะทํำยังไ ง, งนะเขาบอกว่าสั่งส่งทหารไปเลยจัดการมาเป็นของเราเลยนนะะเพราั้ขนาดว่าเป็นพระราชา ป, ปกครองแผ่นดินอยู่แล้วใช่ไหมพอไหมอังเกตพอไหมประเทศชาติอังกฤษล่านาณิคมมานะว่ายุคหนึ่งบอกหม่เขาภูมิใจามากแผ่นดินเขาเนี่ยไม่เคยดวงอาทิตย์ไม่เคยตก แผ่นดินอังกฤษสมัยโบราณนะก็ถือว่าโหเขายิ่งใหญ่มากก็พออย่างนี้แหละนะ ไ, ไม่ไม่มีคําว่าอินเนี่ยนะถ้ารู้จักอ่นจริงๆเนี่ยก็ไม่เป็นอย่างนี้หน่อยนะตรงตัดว่าสมุดคือตันหาถมไม่เต็มเนี่ยนะถมไปเถอะใครถมตันหาเนี่ยเอาอะไรมาถมตันหาจริงแต่เต็มก็บอกว่าฉันต้องการจะดับไฟด้วยการเพิ่มฟืนเนี่ย น, น, นะมีไหมไอเต็มเนี่ยนะจะต้องขุด ทางน้ําให้มากกว่า น, นี้เพื่อจะโถเอาน้ําไปใส่ทะเลให้มันเต็มเนี่ยนะนี่เต็มฉันใดตันหาก็ลักษณะนั้นนะถ้าเราคิดว่าเอาตันหาเป็นเครื่องวัดนะขอให้อิ่มให้พอเนี่ยไม่มีพอมีแต่ต้องการยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องการยิ่งยิ่งขึ้นไปก็พระโพธิสัตว์ของเราเคยเป็นตัวอย่างมาแล้วใช่ไหมเป็นพระเจ้ามันธาตุราสมัยที่มนุษย์อายุอสงไขยปี สองไข่ปีถามเมื่อกี่ปีคือเลขหนึ่งตั้งเลขศูนย์ตามร้อยสี่สบตัวเรียกว่าหนึ่งอสองไขป่ปีมีอายุเท่านั้นยุคนั้นชีวิตคล้ายเป็นทิพย์นันนะนะกึ่งหนึ่งของการเป็นทิพย์นี้ปกครองบ้านเมืองไปนานๆเข้านี่เบื่อปรึกษานะเข้าสู่แหวนที่ราชการบอกที่ไหนมันดีกว่านี้มีไหม น, นะบอกโอ้สวรรค์ขั้นจาตุมสิประเจ้าค่ะเออไปยังไงเบอกปล่อยจับไปเลยนะก็ ข, ขึ้นไปคลองจาตุม่มพานะท้าวจาตุมก็ต้องต้ อ, ตอนรับ บริหารจ่าตุ้อยู่พักใหญ่เหมือนกันโอ้มันน่าเบื่อ ม, มีที่ไหนดีกว่านี้อีกไหมบอกมีพระเจ้าข่าดาวกระดึงสิเราเลยปล่อยจับขึ้นไปดาวกระดึงพอขึ้นไปอยู่ดาวกระดึงเนี่ยนะท้าสากะก็บอกโอ้พระองค์มาดีแล้วพระเจ้าข่าแบ่งดาวกระดึงให้ครึ่งหนึ่งเนี่ยนะเป็นใหญ่นะก็ลเลยเป็นที่เรียกว่านั่งคู่กันตลอดก็บอกว่าจะรู้ว่าใครเป็นพระเจ้ามันธาตุกับพระอินหรือท้าสากะก็ตรงกับพิตานี่แหละนนะเพราะว่ามนุษย์จะกับพิภูตตาท้าสากาะเทวดาไม่กับพิภตากัน ท้าสักกะตายไปแล้วสามสิบหกองหนึ่งองค์เนี่อายุสาสิบหกล้านปีนะหนึ่งองค์นะท้าสักกะหนึ่งองค์อายุสามสิบหกล้านปีเพราะดาวดึงมีอายุสาสิบหกล้านปีแก็อยู่เทา้าสกะตายไปแล้วสามสิบหกองวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เลยนึกไหมไอ้การเราเป็นใหญ่สองคนหนึ่งไม่เหนสนุกเลยนะมันต้องเป็นใหญ่คนเดียวจริงๆ จ, จะดีแต่ก็เลยคิดฆ่าพระอินทร์พอคิดฆ่าแค่นั้นนะก็ตกร่วงมา มาอยู่ในมนุษยโลกแล้วก็ประกาศว่าโอ้ยความอิ่มในกามไม่มีจริงๆนะขนาดอยู่ขนาดนี้จะบริโภคให้อิ่มไม่มีอิ่มเหมือนกับคนกินน้ําเค็มๆเพื่อดับความกระหายนะยิ่งเดินยิ่งดับไหมไปเที่ยวทะเลไม่ต้องเอาน้าจืดไปเลยนะแล้วก็กินน้ําทะเลที่มันกว้างใหญ่นะเพื่อดับกระหายยิ่งเดินยิ่งกระหายยิ่งเดินยิ่งกระหายตันหาก็ลักษณะเดียวกันไม่มีพออย่างพวกติดยาเสพติดก็เหมือนกันนะแรกๆที่เขาติดเนี่ยใช้ปริมาณน้อยมาก แตนน่แล้ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปริมาณยาเสพติด จ, จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะนั้นกลุ่มเนี่ยจะไม่มีคําว่าอิ่มไม่มีคําว่าพอต่อเมื่อมีปัญญาเห็นโทษต้องการสลัดออกเมื่อนั้นจึงจะพอเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทรัพย์มีความสันโดษเป็นที่สุดนะถ้าใครบอกว่าจะมีทรับเนี่ยนะมีจริงหรือไม่มีจริงอยู่ที่สันโดษเป็นหรือเปล่าถ้าสันโดษเป็นก็เป็นมหาราชานะถ้าสันโดษไม่เป็นก็ยาจกวันยังค่าเพราะมันหิวอยู่ตลอดนะหิวทางความคิดนะ อันนี้เป็นอั ส, สาาทัทธะที่เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าอุปาทานนขันหรือวัตถุกรมเนี่ยมีส่วนที่น่าปรารถนาอยู่เห็นไหมมีส่วนที่น่ายินดีอยู่ใช่ไหมต้นไม้ใบหญ้าก็มีสีให้หน่าปรารถนาบางอย่างก็มีกลิ่นให้หน่าปรารถนาบางอย่างก็มีรสทําให้หน่าปรารถนาต้นมะม่วงก็มีอะไรเป็นทํามีอ ส, สาาัทธะของต้นมะม่วงเลยธรรมชาทั่วไปก็ให้ร่มเงาให้ลูกใช่ไหมถ้าไม้ดอกทั้งหลายก็ให้ดอกเป็นอั ส, สาาัทธะ มันสิ่งที่ไม่มีอาสาทะเลยนะคือขยะมันไปลงบ้านไหนเขาไม่ยอมรับกันทั้งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันไม่มีอาสาทะอยู่นี่ย น, นะคือขยะทั้งหลายแหละแต่ว่าที่เหลือเนี่ยนะที่เรียกว่าหมาถ้าแกเอาแล้วอธินาธานนะอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้คือสิ่งที่มันมีอาสาทะทั้งนั้นอะสิ่งในที่ไม่มีอาสาทะนะโอ้ดีแล้วขอบคุณมากช่วยยกเอาไปทีนะพวกขยะทั้งหลายนะใครว่ายกขยะบ้านเราไปในะยิ้มแป้เลยเออดีจังเลยนะขอบคุณมากนะ แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนะมาช่วยยกพัดลมไปหน่อยนี่ไม่เคยมียกแอร์ไปงไงไม่มีเพราะอะไรเพราะทุกอย่างที่ที่เราคลองอยู่นะให้รู้ว่าเรามีอาสาร์ท่ทั้งหมดในบ้านเรานะถ้าสิ่งนั้นไม่มีอัศร์ท่านะั้นเราบัญชีเช็ดเท้าเช็ดคำเลยซ้าไปเช่นขี้ฝุ่นทั้งหลายเนี่ยเราไม่มีอัศร์ท่ากับมันเนี่ยเราจะเช็ดมันเอาออกมันตลอดไม่ต้องการแต่สิ่งที่เหลือๆให้รู้ว่าทุกอย่างมีอาสารท่หมดถ้าเราเป็นใหญ่ในบ้านด้วยห้ามขยับของอันนั้นเด็กขัดขยับแล้วมีปัญหา นี่นะฟ้าจะผ่าบ้านจะถล่มก็อยู่แถวๆนั้นนะอาร์ทีนวตากรดเนีนะอันวัตถุ ก, กามทุกอันเนี่ยนะในโลกเนี้ยเป็นที่ตั้งแห่งอัสาธะหมดแต่เขาบอกว่ากามเนี่ยนะแม้กระทั่งอย่างเลวก็มีสัตว์ที่มีอาสาธะอยู่ดีสิ่งที่เป็นขยะของมนุษย์เนี่ยนะก็เป็นอัสาธะของหมูเดราชานทั้งหลายเนี่ยนะแม้กระทั่งมนุษย์ไม่มีอัสาธะในวัตถุนั้นอะ่ะหมูเดราชานก็ยังได้อัสาธะอยู่เนี่ยนะ พวกมแมลงวันก็จะได้อสสาธะในสิ่งนั้นมากพวกนอนก็บอกโอ้โหนั่นอสสาธะแรงมากเนี่ยนะน้ำลายที่มนุษย์ไม่ต้องการถมออกไปเนี่ยนะพวกเดรฉ า, านส่วนหนึ่งก็มีอสสาคะพวกวินิบาศบางพวกก็มาเก็บสิ่งเหล่านั้นอกินไปเนี่ยนะแม้กระทั่งแบบโบราณหน่อยนะแม้กระทั่งอะไรนะรคพวกรกพวกอะไรที่มนุษย์เอาไปทิ้งนะถ้ารคโคว ร, รกกระบือเป็นต้นเนี่ยมนุษย์ส่วนหนึ่งก็มีอสสาธะมาก แต่ถ้าโรกมนุษย์เขาก็ไม่ค่อยกินกันใชนะ่ไหมก็มีกลุ่มวินิบฉัยเนี่ยมีอาสาทะมากเนยนะก็บอกว่าซากสุนัขเนี่ยมันเน่าเหม็นมากอนะมันยังมีอาสาถะเป็นที่ตั้งอาสาถะนะไอ้เจ้าโกเจ้าโกที่ขึ้นไปที่กุฏิบ่อยๆนะมีอยู่วันหนึ่งมันไปคลุกทําอะไรมาไม่รู้เหม็นจะแย่เลยก็ค <c oughs> ือเของมาเห็นอยู่ตัวหนึ่งนะมันมีซากสุนัขตายเนา่าทิ้งไว้ตรงนั้นนะไอ้สุนัขอีกตัวหนึ่งอะนะ มันไปพิสวสัดอะไรไม่ทราบมันไปคลุกให้แหม я, มันยังไงเราฉีดน้ําหอมเนี่ยเห็นไะมชุกแบบนั้นเลยนะโอ้โหมันอัศธาข้องมันมากอนะนั้นก็บอกว่าสิ่งใดในโลกนี้ขอให้วนะเป็นที่ตั้งแห่งอัศธามากถึงสิ่งนั้นไม่ดีจริงนะก็มีคนวิปลาสว่าสิ่งนั้นเป็นอัศธาอีกอยู่เหมือนกันอ่ะนะก็ที่นิยมภาษาไทยนิยมใช้คําว่าพวกนิยมวิปริตวิปถานทั้งหลายเลยเนะี่ย พวกนี้ก็จะชอบอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านก็ชอบนะนะก้อน้ำพริกปกติเขาสักไม่กี่เม็ดเนี่ยเขาพอดีใช่ไหมเจ้านี้ก็แม้ใช้พริกแทนอย่างอื่นหมดเลยนะนะก็พวกนี้พวกกลุ่มอัศสรส์ปริกับปะก็ยังเป็นอัสร์ทะของอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งจนได้สิ่งใดที่อีกกลุ่มหนึ่งรังเกียจก็เป็นที่ชอบใจของอีกชนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าวัตถุกรรมเป็นที่ตั้งแห่งอัสร์ทะทั้งหมดนะนะ